ธรรมะของพระพุทธเจ้า <c oughs> ครูอาจารย์ที่สัานแนสอนโดยส่วนใหญ่ท่านสอนไปตามอัิยาศสยของท่านองค์ไหนที่ท่านชอบแบบไหนท่านเคยรู้เคยเห็นเคยปฏิบัติได้ดีมาแบบไหนท่านกคยสอนไปแบบนั้นแต่ทิ้งอย่างไรเคดตามเรือกคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ครูอาจารย์สอนจิตแปกแตกต่างกันนั้นก็เหมือนกันกับอาหารอาหารถึงจะชื่อไม่เหมือนกันก็ตามก็เป็นอาหารดีๆคือคนที่บริโภคเข้าไปจะต้องมีความอิ่มหนำสำราญรสชาตินั้นจะผิดแปกแตกต่างกันไม่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญอยู่ที่เราทานเข้าไปแล้ว ร่างกายของเราสดใสสะดวกสบายไม่หิวห้อย <c oughs> มีกำลังที่จะต้านทานการงานต่างๆเรื่องของอาหารเป็นอย่างนั้นถึงใครจะทานอาหารประเภทไหนก็ทานไปเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเพื่อสามารถที่จะทำการงานต่างๆ ให้สะดวกสบายธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ทำนองเดียวกันใครจะสอนอะไรพิจารณาอะไรก็เพื่อที่จะยังใจของตนให้สงบยังใจของตนให้ละถอนละทาตันหาต่างๆนานาออกไปจุดของธรรมะเข้ามาภายในอย่างนั้น เหมือน ก, นกันกับอาหารทานเข้าไปแล้วมีความอิ่มน้ำสํำลาญไม่หิวโหยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ครูอาจารย์เนี่สอนก็เป็นธรรมนองเดียวกันใช้ปฏิบัติเนี่ยไหนมุมใดเคยปฏิบัติมาก็ น, านํามาเนี่ยสอนให้ศิตญาณุกสิทธิ์ได้นำไปที่นิพพิจรณาทหากว่าครูองนั้นอาจารย์องนั้น สอนอย่างนั้นครูองนั้นอาจารย์องนั้นสอนอย่างนี้ตัวของเราเองประพฤติปฏิบัติตามทำคาสอนที่ท่านนะสอนไปจิตใจของเราเป็นอย่างไรแต่รับความผ่องใสสงบหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องตัวของตัวจ ะ, จะทดสอบจะพินิจพิจารณามิชว่าฟังทำของท่านแล้ว ทำของท่านก็จะมาเป็นสมบัติของเราไม่เป็นอย่างนั้นของท่านก็เป็นของท่านของเราก็เป็นของเราแน่ใจ okay. ว่าฟังแล้วท่นานอธิบายอะไรเราก็จะได้จะเห็นจะเป็นอย่างที่ท่านอธิบายไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นทุกท่านที่เคยสะดับรับฟังทำก็จะไม่มีคนชั่วคนเสียโลภโกรลงภายในใจก็จะขับไล่ ตกหายไปหมดนี่มันม่เป็นอย่างนั้นออกให้เราน้อมเข้ามาภายในฝึกอบรมใจของตัวให้สงบเห็นทุกเห็นโทษในเรื่องความโลภความโปวดความหลงต่างๆเมื่อเรามาฝึกหัดปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของท่านเราปฏิบัติตามโอวาทคาสอนของครูของอาจารย์องค์ใดก็ตาม ทางหากมันถูกอธัธยาศัยของตัวแล้วจิตใจยอมผ่องใสจิตใจยอมเย็ยนจิตใจยอมสงบเมื่อมันสงบมันก็เห็นฝุ่เห็นสบายมีความเชื่อความเลื่อมใสอยากะประพฤติปฏิบัติกายใจของตัวต่อไปคือมีพื้นฐาน ในจิตในใจพอเห็นความสุขความสงบภายในเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ซึ่งพวกเราท่านไม่เคยพบเห็นมาก่อนเพราะจิตใจของคนทุกคนซึ่งไม่เคยฝึกฝนอบรมทางภาวนาถึงจะมีความรู้ความฉลาดด้านโลกขนาดไหนก็าตามแต่มันก็สงบไม่ได้สุขสบายไม่มีในจิตในใจ อพอกระทบรูปเสียงกิ่นรถที่ชอบใจมันก็เกิดราคาตันหาอยากได้ที่ไม่ชอบใจมันก็เกิดความโสดไม่พอใจหงุดหงิดมีเรื่องของใจเรื่องอำนาจความหลงในความรู้ของตนตนก็รู้อยู่แต่ที่ว่ามันไม่ละไม่ถอนเรื่องของ ความเป็นความเห็นของจิตทางธรรมะเมื่อเราพิจาจนาะเราศึกษาปฏิบัติมันไม่เป็นอย่างนั้นความสงบสงัดของใจถึงจะไม่ได้ปริญญาอย่างเขาก่อตามแต่เรามาประปฏิบัติจิตใจที่เคยว่าวุ่นขัดข้องตรงคิด ในเรื่องสัญญาอารมณ์ต่างๆขึ้นเคยเต็มมาตั้งแต่วันเกิดไม่เคยสงบสงัดไม่เคยหลุดออกไปจากสัญญาอารมณ์อะไรมีแต่ข้องติดคิดตรงอยู่อย่างนั้นหลับก็ทราบว่าหลับแต่ตื่นมาก็ติดตามไปบางทีหลับก็ยังฝันไปห เงาต่างๆมุมต่างๆบางทีสิ่งที่ชอบใจก็ยังไปรักใครยังไปยินดีสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เสียใจทั้งๆ ท, ที่หลับอยู่นั้นนอนอยู่นั้นไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรแต่จิตใจกับอารมณ์นั้นมันไปเกี่ยวไปฝันไปนึกไปคิดก้อยจังมีความลุ่มหลงใน สัญญาอารมณ์บูกเสียงเร่งเล่าต่างๆอยู่นี่คือเรื่องปกติจิตของสัตว์ผูกของอยู่ในวัตตะเมื่อมาปฏิบัติภาวานากำหนดรักษาจิตของตนสังวรระ ว, วังอารมณ์สัญญาต่างๆที่เคยปรงเคยคิดเคยติดเคยข้องรายยะที่เรานั่งภาวานาเราจะต้องกำจัด อารมณ์สัญญาออกไปให้หมดไม่คิดไปในอดีตอนาคตตั้งจิตอยู่ในปัจจุบันเราจะบริกรรมพุโทโธก็ตั้งมั่นในคำบริกรรมของตนเชื่อมั่นว่าการปรุงจิตติดตามอารมณ์นั้นเราเคยปรุงจิตติดตามมาระยะยาวนานแต่เท่าว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเป็น สิ่งที่พอใจชอบใจสิ่งที่ปราถนานี่จะนําความชั่วความเศร้าหมองความขุ่นมัวของจิตของใจมาให้ระยะเรานั่งภาวนาเย็นี้เราจะไม่ติดตามถึงจะพุ่ขึ้นจากจิตก่อตามจะจอนมาจากที่อื่นก่อตามสัญญาอารมณ์ป่วนนั้นเราจะปัดทิ้งปล่อยทิ้งโยนทิ้งให้หมด เราจะกำหนดแต่บทบริกรรมอยู่นั้นต่อเมื่อใดจิตยังบริกรรมได้เราจะบริกรรมอยู่นั้นไม่เผลอให้จิตสัมผัสอยู่กับคำบริกรรมของตนทุกระยะทุกเวลาเมื่อจิตยังบริกรรมได้จะบริกรรมต่อไปอยู่อย่างนั้นผู้ที่กำหนดลมหายใจก็เหมือนกันกำหนด อยู่ตลอดเวลาไม่ติดตามสัญญาลมอื่นลมมันจะละเอียดไปขนาดไหนจนขาดจากลมไปก็ให้มันทราบในตัวของตัวจนจิตรวมลงเป็นหนึ่งไม่ยึดเกี่ยวเรื่องอะไรทั้งหมดพอจิตรวมลงไปใจมัน ไม่เคยเห็นเคยเป็นอย่างนั้นมันสุขมันสบายจีต ท, ทันว่ากายละกายละละหุตาจิตแต่ละหุตาคือกายเบาใจเบ า, เบ า, เบา น, นั้นเราเคยได้ยินได้ฟังเคยได้อ่านได้เห็นตามแบบฉบับตำรับตำลรงแต่มันยังไม่เป็นไม่เห็นในเราเมื่อจิตของเราเข้าเป็นหนึ่งมันเบามันสบายสัญญาอารมณ์ไม่มาเกี่ยวข้องวุ่นวาย กายทั้งกายก็ไม่ติดใดข้องไม่ทราบว่าเรานัง่งเราอยู่ที่ไหนความเจ็บปวดเหนืดอเหนื่อยเหนื่อยหิวอะไรไม่มีในจิตดวงนั้นขณะที่เป็นอย่างนั้นเราจะนั่งกันระยะเวลานานขนาดไหนมันก็ไม่มีการมีสมัยมีเวลาให้พราอใจมันเป็นหนึ่งไม่ได้คาดว่านานแล้วนะ สงควรจะถอนจะออกแล้อนะมันไม่ได้คิดไปทั้งหมดจิตนึ่งสงบมีสติรู้อยู่ในตัวข้องตัวเกิดอัศจันท์ไม่เคยเห็นเคยเป็นมา ก, ก่อนพอจิตถอดถอนขึ้นมาตีติยินดีเพราะการทำสมาธิภาวนานี้เห็นอ น, น้สงเห็นผลประจาักษ์ในตน ถึงคนอื่นเขาจะไม่เชื่อว่าการทำแบบนี้จะเป็นสุขสบายได้ก็ช่างเขาเขาจะว่ามรคลธรรมวิเศษหมดไปเพราะสมัยนี้ใครประเพื่ปฏิบัติอาจทำก็ไม่เห็นใครดีเด่นหอเหินเดินฟ้ามแจะยิเลตัญหาถ่วมทับอยู่ทุกหน้าทุกตาไป ไม่ว่าพระไม่ว่าคลาวาสถิบฝึกหัดปฏิบัติไม่เห็นใครไปเสพดิเศษให้มีแ ต, ต่จิต劣ตัญหาท่วมใจเขาจะพูดจนปากเขาฉีกคอเขาแตกก่าสั่งเขาเราเป็นอย่างไรไภายในตัวของเราเราทราบเราเห็นเราเป็นเรารู้นีคืออนุสงส์ที่ประทับใจไปจากใจ ความเย็นความสบายความสุขภายในนั้นสุขจากจิตในเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์จิตในเกี่ยวข้องกับกิเลสปัญหารวมรวมเป็นสมาธิอย่างแ น, แน่วแน่จริงจังเราเชื่อมัน่นเราเห็นเราเป็นในเรา ความสุขส่วนนี้คนที่เขาเป็นเศรษฐีมีเงินนับหมื่นนับแสนล้านเขาจะเคยประสบพบเห็นไหมเขาได้อะไรในโลกถึงโลกทั่วไปเขานิยมชมชอบว่าเป็นเกียรติของเขาเป็นโชคลาภของเขาแต่จิตของเขาจะเป็นจะเห็นอย่างนี้ไหมเราก็ทราบได้ว่าอะไรในโลกความสุขความสบายซ้ เกิดความเพลินความจิตความคล่องของสัตว์เราเคยไปสบพบมาสุกอย่างนั้นสุกอย่างนี้สึ่งสัตว์โลกทั่วไปของจิตจิดปรุงอยากได้สแสวงหาทุกคนเคยพบเคยเห็นมาโดยตนของตนแต่ความสูกส่วนนั้นมันผิดแตกแตกต่างกันมากกับจิตที่เรา ภาวนาสงบระงับดับจิเลตเข้าไปชั่วระยะเวลาเท่านั้นมันผิดกันมันสุกไกลกันมากมีคุณค่าราคาเหนือกันมากเมื่อเห็นของดีของเด่นใครเล่าในโลกจะไม่อยากได้จะไม่พอใจความเพียรหรือศรัทธาความเชื่อ ในศาสนามันจะต่องฝังมั่นในจิตในใจความเทียนไม่ต่องบังคับบัญชาว่าให้ภาวานาระจิเลเพอเราเห็นเราเป็นในเราเราก็ยินดีเต็มใจเชื่อเลื่อมใสอยากจะจะทำบำเพ็ญพะความสุขทุกคนปรารถนาเห็นสุขแล้วต่องการอยากได้เมื่อเราเห็นสุข เราเป็นสุขภายในแล้วเราพอใจเรายินดีที่จะพีชีวิตประพฤติปฏิบัติให้เป็นให้เห็นให้รู้ น, นี่คือความสุขความสงบของสมาธิซึ่งเป็นการเป็นเวลาพอถอดถอนออกมาอารมณ์สัญญาต่างๆก็จะต่องลบกวนเป็นธรรมดานม่ว่าตาว่าหูที่เห็น ที่ได้ยินต่างๆรบกวนจิตใจเรารู้สึกไม่พอใจที่เห็นที่ได้ยินต่างๆเข้าสงบอีกคือบริกรรมเข้าไปอีกกำหนดลมเข้าไปอีกให้มันสงบอีกนี่คือที่หลบสัญญาอารมณ์ไม่ใส่ว่าสัญญาอารมณ์นั้นนั้นมันตกมันขาดไปไม่ใส่ว่าตรกิเลสในใจมันหมดมันสิ้น พอออกมาจะต้องกระทบกับสัญญาอารมณ์นี่หมายถึงผู้ที่มีสมาธิผู้ที่อยู่ในสมาธิแต่พระพุทธเจ้าไม่อสอนว่าสมาธิเป็นเครื่องแก่กิเลสให้หมดสิ้นจากอาสวะใสแต่เป็นเรื่องที่กำจัดนิวรณ์คือกามสฉันทะความรักไถ่ กินมิะพยาบาทอุตจักรกุฏจัวิจิตรฉาตามตำราทิกทกท่านกล่าวเอาไว้ว่านิวรทั้งห้าเป็นเครื่องกั้นกลางจิตใจหาหาจิตยังไม่เป็นสมาธิเมื่อไรนิวรทั้งห้าจะต้องลบกวนไม่สิงได้กต่สิ่งหนึ่งกาเมฉันทะหมายถึงความจิตคล้องจิตปรุงไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ที่เราชอบจิตชอบใจจิตของสัตว์ทั่วไปมากปุงมักิดไปในแง่นี้เป็นบางการบางเวลาพยาบาทความจองล้างจองผ่านคนอื่นสัตว์อื่นเมื่อเราไม่ชอบใจเรืองเขามาีหมิ่นนินทาเขามาด่าว่าข่าตีต่างจิตคิดไปปุงไปอยากจะข่าจะ ตีจะด่าจะทำร้ายต่างๆนี่คือเรื่องพยาบาททินนิทะความง่วงงหอาห้าวนอนขอบงามจิตใจไม่มีความปีติอิ่มใจมีแต่ความงัวง่วงอยู่สมำเสมอใจไม่เบิกไม่บานใจไม่สดไม่ชื่นอุทจักกุกุจัก ความฝุ่งของจิตฝุ่งไปปุงไปไม่มีความสงบกรัดให้เกิดลำคาญทางกายทางใจเรียกว่าอุทธจัรวิจิจิชาสงสัยว่าคงจะเป็นไปไม่ได้การทำสมาธิภาวนาละกิเลสเมื่อจิตเป็นสมาธิสิ่งเหล่านี้จะต้องตกไปหมดไปท่านเรียกว่ากิเลส ของจิตสึ่งทำจิตไม่ให้สงบระงับให้สมาธิระงับได้หายขาดเรื่องเหล่านี้แต่พอถอดถอนออกมากระทบกับสัญญาอารมณ์จะต้องเกิดหงดหยิดเกิดความไม่พอใจต่างๆนาน า, นาในจิตของผู้ที่มีสมาธิเพียงจะเข้าสมาธิพอมากระทบก็บเข้าพอ ออกจากสมาธิถอนออกมาก็ลำบากลำคาญอีกนี่คือจิตติดสมาธิหลบอยู่ในสมาธิเพียงเท่านั้นไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขใจที่ของจิตจิตงงต่างๆให้หายขาดแต่เือว่าผู้ติดสมาธิหรือสมาธิหัวหลักหัวตอคือไม่เกิดปัญญาขึ้นได้มีแต่หลบอยู่ในสมาธิเท่านั้น พอเข้าไม่ได้มันก็เกิดร้อนเผา ต, ตัวเองว่าสมาธิของเราเสื่อมเลยแผดเผา ต, ตัวของตัวเคยเข้าได้สงบสบายแล้วเข้าไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนต่อผู้ที่มีสมาธิค้องใจคือใจเคยรวมรวมเคยได้รับความสุขความสงบพอถอดถอนออกมา ให้พิจรารณาสิ่งต่างๆให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเช่นกรารมสันทะความรักใครชอบใจคิดปรุงไปต่างๆนั้นพระพุทธเจ้าให้พิจรารณาอสุภอสุภังหรืออนิจจังอนัตตาเป็นเครื่องแก้ไขจิตใจสิสำคัญหมั่นหมาย ว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามต่างๆถ้าเราพิจารณาด้วยจิตมีสมาธิเราจะรู้จะเห็นในสิ่งนั้นนั้นเด่นชัดขึ้นเมื่อเห็นเด่นชัดเมื่าสิ่งนั้นนั้นเป็นของไม่กิรังอย่างยืนไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์ประจากในจิตในใจมันก็ละทอนได้หรือจะเพีย้ยเจรณาอสุภะ มันก็มีทางที่จะแก้จิตใจที่หลงไหลไฝ่ฝันว่ามันสวยสดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้เพราะสิ่งที่เราไปจิตค่องชอบในสิ่งเ่ น, นั้นว่ารูปมันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้ถ้าเราพิจารณากันเนี่ยสุภาษคือพิจารณาความสมยงามของมันในกายของเราท่าน มันไม่มีอะไรสวยสดงดงามเต็มไปด้วยของปฏิกูลในเนื้อในกายไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายสมมติอันนี้มันเป็นเหลืองสมมติแต่ความจีงของมันธาตุขันอันเดียวกันผู้หญิงก็เหมือนกันกับผู้ชายผู้ชายก็เหมือนกันกับผู้หญิงคือธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่ก็ได้แก่ดินน้ำ ลมไฟจะพูดถึงธาตุหกก็ได้เจอากาศวิญญาณเพิ่มเข้ามาอีกขันหากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีตามตำรับตำราที่สันกล่าวเอาไว้เรียนง่ายจำได้แต่จิตใจไหม่เห็นไหม่เป็นมันไม่ถอดไม่ถอนเลียยให้ท่ายึงให้ที่แจใ้านาด้วยใจของตัวเองที่เจใ้านาให้ทั่วให้ถึง ให้เห็นตามเป็นจริงในเมื่อในตัวของเรานั้นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดไม่ว่าที่ใดมีแต่ขี้ท่วมหัวไม่ใช่หรอมันเป็นของหิบของดีเป็นเพลทเป็นซอยเหมือนไรเป็นแก้วเป็นแหวนเหมือะไรไหลออกมาทางตาทางเฉวหมูทางปากหรือทวารต่างๆ มีอะไร ห, หอมหอมหวนชวน ด, นดมมีแต่ของสผล่กระโผลทางนั้นเนื้อหนังที่เราสำคัญมันหมายว่ายิง้งวาชายว่าสวยว่างามนั้นถ้าหากเราถลกออกมากรองเอาไว้เอามาหุ่มห่อให้เราเราชอบไหมเราดินดีไหมมาพัดมาทอดให้กินนะครับทานจะทานได้ไหมไม่ได้ทางนั้น เลือดก็เหมือนกันที่มันเต็มอยู่ในเมื่อในตัวน้ำเหลืองเหมือนกันมันมีอะไรอ่หน้าดูหน้าชมหน้าลุ่มหน้าหลงกระดูก็เหมือนกันขายไม่ออกคุณค่าไม่มีสําหรับคนสัตว์ตายเนื้อหนังมันยังขายได้คนตายใครเอาเนื้อหนังไปขายไม่มีคุณค่าราคาจังนั้น เอาคนตายไปทิ้งสิบ้านสิสองของเขาเขาจะปับใหม่เพราะเหตุใดเพราะเขาไม่ถือว่าเป็นมงคลถือว่าอ่ามงคลเป็นของอปรีทางนั้นไนมีใครนีิยมชงชอบกันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องหลังกายของคนไม่ใช่ของสวยสดงดงามอะไรไหลออกมาทวารใดก็มีแต่ของเน่าของเหม็นของปฏิกูลดูให้ถั่วให้ถึง ให้เห็นให้เป็นในจิตในใจอย่าเพียงสักแท่าว่าหากมันเห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงจังในตัวของเราเต็มไปด้วยอสุภะอสุภังเต็มไปด้วยของอนิจจังอนัตตาไม่แน่นอนไม่จีรังไม่อยั่งยืนบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามฐานะหน้าทีของมันเข้าใจไปจากชัดเจนอย่างนั้น คนอื่นสัตว์อื่นทั่วโลกมันก็เหมือนกันไม่ต้องไปเรียนที่อื่นไม่ต้องไปดูที่อื่นโลกาวิธูคือรู้กายรู้ใจของตัวกายใจของตัวเป็นอย่างไรสัตว์อื่นทั่วไปไม่ว่าชาติไหนเหมือนกันหมดเมื่อรู้เรื่องของใจตัวกายตัวถวดถึงจึงไม่มีการหลงจะไปเกิดราคาตัญหาชอบจิดจิดปรุงว่ามันสวย สดงดงามอย่างนั้นอย่างนี้อยากสูบอยากกอดจะไปกอดอะไรกองขี้ของเนา่าของเหม็นของไม่เป็นสาระให้มันไม่มีการหลงไหลไม่มีการติดข้องเราทราบในจิตของเราทราบอย่างไรแต่เก่าแต่ก่อนเราไปเห็นเขา้าเราเกิดความชอบความผิดความคิดความปรนสั่ ง, งๆในรูปแต่เมื่อเรามาคิดนิพจน์นนะ ใจิตใจเห็นไปจากชาดเจลียนในตัวของตัวเป็นอย่างไรพอไปสบพบเข้าเราหลงไหลไหมใจิตใจมันมีการเอียงไปไหมมันแวบออกไหมมันไขมันติดไหมผู้ปฏิบัติใจจะต้องดูใจของตัวทุกระยะทุกเวลามันเกิดแบบไหนมันเป็นอย่างไรตัวเองจะทราบจะเข้าใจถ้าหากมันยังมีการเสดิจเทิกแพงอยู่ เราก็ทราบว่าอันนี้จิตใจของเรายังไหวเนื้อเจือใจไม่ได้มันยังไม่ตายมันยังไม่ถึงธรรมที่บริสุทธิ์มันจึงเกิดมันจึงแสดงอากาศกินิยาอย่างนี้ถ้ามันตายจริงมันไม่มีอากาศกิริยาอะไรไม่ว่าเห็นรูปฟังเสียงมันจะคงที่เสมอไปเหมือนกันกับเสือที่มันตาย ถึงเล็บฟันเกี่ยวมันจะเป็นพิษมันเคยดุร้ายขนาดไหนก่อตางค์แมันตายแล้วมันไม่ทําร้ายใครมันมีเล็บมีเกี่ยวอยู่ก่อตางไม่เคยกัดเคยกินใครพอมันตายไปแล้วเราจะไปนั่งหัวของมันมันก็ไม่โกรธไม่ทําร้ายนี่คือเสือมันตายยีเลดมันตายจากใจก่อทานองเดียวกัน มันไม่มีอะไรตาก็มีหูก็มีจะหมูกลิ้นกายมีแต่ท่านลนมีการติดข้องเปงคิดไปในทางผิดทางชั่วท่านอยู่สะดวกสบายของท่านทราบดีในใจของตัวในใจคนอื่นจะเอาใบ ป, ประกาศนิาบัติมาติดให้ว่าท่านนี้ได้ โซดากส่จีธาาอลหันถึงจะมาติดให้าใจของเราไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าหากเราฝึกจิตอรวมใจของเราเข้าถึงอัจถึงทำจริงจังมันฝุกมันสบายอย่างไรเราจะทราบได้นี่คือสมาธิหนุนปัญญาเมื่อเรามีสมาธิสองที่เจรนาให้ปัญญามันเกิดถ้าปัญญา มันเกิดมันเห็นมันเป็นในจิตในใจอารมณ์สัญญาที่เคยขอคค้องจิตจิตปรุงหนนั้นมันจะตกไปหลุดไปเราก็ทราบในจิตในใจของเราว่าอันนั้นมันหลุดไปมันมันตกไปสิ่งได้ที่มันหลุดไปตกไปหมดไปยิ่งตกไปมากเท่าไรก็ยิ่งเบายิ่งสบายไปเท่านั้นเหมือนกันกับเราแบกว่าหาบของหนัก หยึบออกเท่าไรทิ้งออกเท่าไรความเบามันก็เกิดขึ้นเท่านั้นผลที่สุดทิ้งหมดมันก็ไม่มีอะไรที่จะหนักในบาของเราจิตใจของเราท่านก็เหมือนกันถ้าหากว่าเพื่อปฏิบัติอาธิธรรมพิจิตรเจรณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้าที่บาปัญญานั้นคือมันละมันถอน สิงที่เคยข้องจิตจิตลุ่ต่างๆสิ่งที่เคยสงสัยให้หายไปจากใจของตัวถึงจะไม่มีวาทะคมคายที่จะสอนคนอื่นได้ว่อตามขอให้สอนจิตของตัวให้ได้ให้เย็นให้สบายให้หมดพิษหมดภัยเป็นอันใช้ได้เห็นไปจากชัดเจนว่าพระพุทธเจ้านั้น จิตของท่านผิบริสุดเป็นอย่างไรสาวกจิตที่เป็นของท่านผิบริสุธิ์เป็นอย่างไรพอเราเห็นเราเป็นในการ ป, รปฏิบัติของเราท่านเหล่านั้นเป็นอย่างไรมันก็ไม่มีการสงสัยพอใจที่เป็นอย่างนี้มันเหมือนกันหมดมันไม่ผิดแปกแตกต่างกันถ้าเก็บเสียบสิ่งที่เราเคยเข้าใจ การเห็นกัน ง, ง่ายง่ก็เหมือนการอิ่มคนไหนกินอิ่มมันเป็นอย่างไรเราทราบว่าเราอิ่มเป็นอย่างไรเขาก็อย่างนั้นเหมือนกันหมดนี่คือความอิ่มของอาหารความอิ่มของอัดของทำความเต็มของอัดของทำรรความพอของอัดของทำรรความหมดสิ้นเหลี่ยเป็นอย่างไรนั้นเพก่อเพืเ่อปฏิบัติอัรทมภายในก็เหมือนกันหมด แต่จริงว่าผู้ใดเห็นทมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเห็นความหมดจดบริสุทธิ์ของใจที่ไม่ แ, แตกต่างอะไรกันพระพุทธเจ้าจะหลวงรับดับขันปรินี พ, พนานไปสองพันหรอยกว่าปีกว่าตามยังจะมีผู้บวชปฏิบัติได้อีกพันปีหมื่นปีข้างหน้าถ้าหาเขารู้เขาเห็นเขาเป็นมันก็เหมือนกันกับจิตของผูกบริสุทธิ์อยู่ในปัจจุบัน ไม่ผิดแปลกแตกต่างอะไรกันนี่คือความหมดจดความบริสุทธิ์ของใจนำความสุขความสบายมาให้ตาก็่อยเป็นชิดหูก็่อ้เป็นชิดรูปเสียง